พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ห้าชีวกกสูตรสูตรว่าด้วยหมอชีวกหรือชีวกะพระผู้มีพระภาคประทับณป่ามะม่วงของหมอชีวกโกมรพั์ใกล้กรุงราชคฤห์หมอชีวกเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าที่เขาพูดกันว่าพระสมณโคดมทรงทราบอยู่ ก็เสวยเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเจาะจงถวายนั้นเป็นความจริงเพียงไรตรัสตอบว่าทรงกล่าวถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่ควรบริโภคโดยฐานะสามคือที่ได้เห็นที่ได้ฟังที่นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเจาะจงตนและทรงกล่าวถึงเนื้อสัตว์ที่ควรบริโภคโดยฐานะสามคือที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้นึกรังเกียจ ว่าเขาฆ่าเจาะจงตนตรัสอธิบายต่อไปว่าภิกษุแผ่เมตตาจิตจนถึงอุเบกขาจิตเป็นที่สุดไปทั่วโลกอยู่ด้วยจิตอันไม่มีเวรไม่พยาบาทครหับดีหรือบุตรครหับดีนิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นถ้าปรารถนาก็รับนิมนต์ได้ครั้นรุ่งขึ้นไปฉัน เธอย่อมไม่คิดให้เขาถวายอาหารอันประณีตหรือถวายอีกในการต่อไปเธอไม่ติดบินธบาทมีปัญญาถ่ายถอนไม่ยึดถือย่อมบริโภคบินธบาทนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นจะคิดเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนทั้งคนอื่นหรือไม่หมอชีวกกราบทูลรับว่าไม่ ตรามว่าเธอย่อมบริโภคอาหารอันไม่มีโทษไม่ใช่หรือกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นและกราบทูลต่อไปว่าตนเคยได้ฟังว่าพระพรมเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานที่เห็นได้เพราะทรงอยู่ด้วยเมตตาตรัสตอบว่าบุคคลมีความพยาบาท เพราะราคะโทสะโมหะอันใดตถาคตและราคะโทสะโมหะนั้นได้เด็ดขาดแล้วถ้าท่านหมายความข้อนี้เราก็อนุมัติคำกล่าวนั้นหมอชีวกกราบทูลว่าหมายอย่างนั้นแม้ในเรื่องกรุณามุติตาอุเบกขาก็เช่นกันตรัสว่า คูฆ่าสัตว์อุทิศพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตยอมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากโดยฐานะที่หนึ่งคือข้อที่กล่าวว่าจงไปนําสัตว์ตัวโน้นมาโดยฐานะที่สองคือสัตว์นั้นถูกลากคอมายอมเสวยทุกโทมนัดโดยฐานะที่สาม คือข้อที่กล่าวว่าจงฆ่าสัตว์นี้โดยฐานะที่สี่คือเมื่อสัตว์ถูกฆ่ายอมได้สวยทุกโทมนัตโดยฐานะที่ห้าคือคนย่อมพูดรุกรานพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตด้วยเรื่องเนื้ออันไม่สมควรเมื่อจบพระธรรมเทศนาหมอชีวกกราบทูลรับว่า ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันไม่มีโทษแล้วกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรเป็นสรณะตลอดชีวิตหมายเหตุผู้อา่านสำหรับคำว่าชีวกะในทุกตอนขออนุญาตอ่านว่าชีวกเพราะส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะคุ้นชินกับคำว่าชีวกมากกว่านะครับ